เปลี่ยนเลีนเนเ่นคู่เปลี่ยนคู่โจกมันจะได้ที่สดเข้าใจคือสรุปออกมาว่าเมาื่อตาเราไปเห็นอะไรหรือว่าเราใจเราไปสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องสรุปออกมาบอกกับตัวเอง เสมอสิว่ามันเป็นอะไรไม่งั้นมันจะไม่มีใครรู้เลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอเนี้ยคือ ipad ไอเนี้ยคือแก้วไอนี่คือดวงตาอันนี้คือพี่แจ๊กอันนี้คือคูบาคือเนี้ยมันกลับมาที่ใจเราตลอดเลยมันกลับมาที่ตัวเราตลอดก่อนที่มันจะออกสรุปออกมาเป็นคําพูดว่านี่คือพี่แจ๊กนี่คือคูบามันมีตัวสรุป คล้ายๆตัวสรุปในในตัวเราเนี่ยแหละออกมาก่อนมันคือความจำได้สัญญาอะไรต่างๆเฟิร์ไม่รู้ว่ากระบวนการมันยังไงในตัวเราแต่ว่าก่อนที่มันจะมาสรุปเป็นความรู้ถ้าเกิดเฟิร์เป็นฝรั่งเนี่ยอ่ะเฟิร์ก็ต้องสรุปออกมาไม่ใช่พี่แจแ็คละอ่ะอย่างเงี้ยค่ะคือความจำได้หมายรู้เนี่ยอันนี้คือ ถ้าเรารู้แต่ตัวนี้มันคือต้นทางที่มันจะไปสู่ความลักโลภโกรธหลงทุกข์ฟุ้งซ่านคือต้นทางที่มันจะต่ออารมณ์ไหมคะใช่ไหมพอเห็นตัวนี้อ๋อมันก็สักแต่รู้ได้สิไอ้นี่เราก็แก้วไอ้นั่นก็นนกร้องเออเราก็กลับมารู้ที่ตัวเราแค่นั้นเองกลับมารู้ที่ประตูจะที่ใจเราเนี่ยแหละคือผู้รู้เนี่ยแหละคือรู้ที่แท้จริง เพเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะหลวงตาคือมันก็เลยกลายเป็นว่าตัดตั้งแต่ต้นทั่วเลยไงจะต่อขแขนงออกไปกลายเป็นทุกเศร้าเครียดอะไรก็ไม่มีลพะพอเรากลับมารู้ว่าเราสรุปว่ายังไงตลอดเลยนี่คือต้นจิตนั่นเองอะไรเงี้ยมันสรุปด้วยใจง่ายๆว่าอย่างนั้นนะคะประมาณนี้นึก็ออกไหมคะมันจะเห็นภาพเลยว่า ทีนี้พอพอสรุปได้แล้วนเนี่ยเรื่องราวก็หยุด like, เลยหยุดหยุดเองของมันมันก็ไม่เห็นต่อเลยนี่ก็รู้เฉยเฉยนี่เอออ๋อไอ้สักแต่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้ใช่ไหมคะอะไรแม่ก็ของของครูบาฟังแล้วเป็นไงบ้างคะคือคือได้เอาในใจของครูบาตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเออเข้าใจว่าคือ ผัสสะเกิดอ่าครับผัสสะเกิดมันก็เกิดเรื่องราวในใจเลยใช่เออเกิดเรื่องราวอ่าเกิดเรื่องราวเกิดเรื่องราวทีนี้สติตั้งที่ใจเนี่ยในใจตัวนี้มันก็จะรู้ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นในใจอ่าครับอ่าทีนี้เรื่องราวจะดําเนินต่อไปไหมในเมื่อมันโดนรู้แล้วเนี่ยอ่าดําเนินต่อไปไหมอ่า เพราะมันเป็นรู้แล้วไปรู้แล้วอ่าปรู้แล้วอ่ามันก็ขาดกันไปเลยอ่ามันขาดกันเลยโดยอัตโนมัติโอเคโอเคอ่าเฮ้มาเย็นก็ว่า มัวมาเย็นกขาบอาตีลาเขาใจชัดเจนมากเลยไม่เป็นไงไงกลับมาตกว่าตายไงเพราะมาเย็นก็คุยกับทีลาจนชัดเจนมากเลย<ช>ว่ารู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ขันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ย รู้นี่มันไม่ไปตัดอะไรได้แร้วมันไม่แทรกแท้งอะไรได้แล้วมันไม่ใช่ตัวเรารู้นี่มันอยู่นอกตัวเรามันอยู่ในใจของเราเนี่ยแต่มันไม่ใช่ร่างกายจิตใจเรามันนอกขันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้อะไรมันจะไปดับอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรจะไปทํำอะไรจบไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันได้แต่แค่รู้แค่รู้ตัวเราอย่าคิดตัวเราเป็นไปจริงๆริงเราแอบนึกแอบคิดแอบพูดแอบกระทาแอบ ไปทําอะไรในที่รับที่แจ้งทําดีทําชั่วอะไรมันก็ได้แต่รู้อย่างที่ตัวเราทำความทํ า, า, ไ, ปา ไ, ปทไปตามความเป็นจริงมาเลยคิดไปคิดพูดก็ทําไปตามความเป็นจริงมันจะแทรกแซงจะช่วยเหลือจะไปขัดคออะไรไม่ได้สิ่หละเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นตัวละไอ้รู้นี่มันมันได้แต่รู้แต่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวสมมุติถ้าหลวงตานําเสนออย่างนี้ผมเข้าใจเลยครับเออแ ต, แต่แต่ผมไปงงไอ้พวกวิญญาณขันไอ้เรื่องราวอะไรต่างๆนี่ครับ ไม่แล้วก็ไปงงอะไรเงี้ก็เอาไปเอาสิเดี๋ยวจะกลายปรู้ของท่านไปแทรกแซงอะไรได้ไปตัดรู้อะไรแล้วจบได้มันไม่ใช่เดี๋ยวถ้าก็จะลืมลืมไอ้หลักเดิมอะรู้นี่มันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไอ้รู้ไอ้รู้เนี่ย <c oughs> รู้นี่มันรู้มันคือเราแท้แต่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันตัวสมมุติรู้นี่มันคือเราแท้ ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่ไอตัวเราเนี่ยที่มันมีความคิดความนึกความตืกความต่อมันพูดได้มีอารมณ์ได้มันดีมันชั่วมันมันเป็นอะไรอ่ะไม่ว่ามันจะไปทําดีทําชั่วคิดดีคิดชั่วพูดดีพูดชั่วในที่รับที่แจ้งไปแอบทําอะไรไอรู้เนี่ยมันถูกมันกลายเป็นถูกรู้หมดเลยตัวเราเนี่ยมันแล้วใครเป็นคนมารู้ตัวเราล่ะว่าถามค้านถามแล้วใครเป็นคนรู้ว่าเราเนี่ยไปแอบคิดดีคิดชั่ว แอบทำดีทำชั่วทำอะไรต่างผูดดีผู้ชั่วในที่รับที่แจ้งใครอมารู้ตัวเราก็เราสิมารู้ตัวเราถามขั้นถามเท่าไหร่ก็บอกว่าเราเป็นคนรู้ตัวเราอาบอกว่าจําไว้แม่นนะคุณบอกว่าเราเป็นคนรู้ตัวเราแต่พอปฏิบัติจริงเอาตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้ได้เนี่ยเป็นตัวเราเออเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราแต่เวลาขั้นถามว่าใครมารู้ตัวเราก็เราสิเป็นคนรู้ตัวเราอ่ะพอขั้นถามก็บอกว่าเราอป็นคนรู้ตัวเรา นั้ไอเราที่รู้ตัวเรา่ะเป็นตัวเราแต่พอปฏิบัติเอาไอตัวเราที่คิดที่พูดที่กระทําได้ที่ทําอะไรได้ที่ถูกรู้เป็นตัวเราอีกแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอาถ้ายัางงั้นพูดไปพูดมาไอรู้มาแทรกแสงได้ลแล้ว เ, เราคิดดีคิดชัว่วคดิดบูคิดบาอะรู้มาแทรกแสงจะตัดอะไรได้จะทําอะไรได้จะเหลือให้มันอันนี้ผิดแล้วเข้าใจผิดอีกแล้วไอรู้เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกระจกเงา กระจกเงากระจกเงาสองหน้าเนี่ยไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยหรือธาตุรู้เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นกระจกเงาสองหน้าตรงสองหน้าอะไรส่งตัวเราสิส่งตัวเราเนี่ยมันสามารถส่งตัวเราเนี่ยไอรู้เนี่ยเป็นกระจกเงาสองหน้าทําหน้าที่มันกระจกเงาสองหน้ามันส่งตัวเราทั้งการคิดการพูดการกระทําไม่ว่าเราจะคิดดีคิดชั่วคิดพูดคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาคิดกุศลนกุศลเนี่ย มันก็ต้องส่องตัวเราตามความเป็นจริงเพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาส่องหน้ามันเลยต้องรู้ตัวเราเนี่ยตามความเป็นจริงมันจะมาแทรกแตงให้อะไรหายไปดับไปไม่มีหรอกมันได้แต่รู้อย่างเดียวมันก็จกเงาส่องหน้าเราเนี่ยจะไปแอบทําอะไรอ่ะไปแอบอะไรนะไปแอบทําอะไรในที่มันไม่ดีในที่มันอกุศลอะไรในที่เหมือนกับเราก็ทําต่อหน้ากระจกเง า, นานเลย แล้วกระจงเงาจะมาแทรกแซงเราได้ไงอะเอาเไใบใบพูดดิเอาใบที่เอาไมใบพูดนะหลักการก็มีง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมฮะเออก็แค่นี้แน่ก็ให้เป็นกระจงเงาไปเรื่อยไปอ่ะเป็นรู้ที่เป็นกระจงเงาเรื่อยไปอ่ะแต่กระจงเงาเนี่ยมันไม่มีกระจกมันไม่มีตัวรูปไม่มีตัวกระจกตะเปียบมันทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาใสกระจงเงา แต่มันเนี่ยไม่มีรูปไม่มีรูปกระจกไม่มีตัวกระจกแต่ทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาที่มาอะไรที่มารู้ตัวเราเนี่ที่มารู้ทั้งการคิดการพูดการกระทําตลอดเวลาเลยแต่เนี่ยสมมติว่าเราไปคิดดีคิดชั่วไปแอบทําดีทําชั่วพูดดีพูดชั่วอะไรที่รับที่แจ้งมันก็เหมือนกับไปทําตัวหน้ากระจกแหละไอ้ใจนั่นเปรียบเหมือนกระจกมันก็เลยไปทําหน้ า, า ก, กระจกแต่อกระจกอะมันก็ได้แต่ ได้แต่รู้ได้แต่รู้ว่าตัวเราไปคิดไปพูดไปทำอะไรในที่รับที่แจ้งมันแทรกแซงอะไรหายไปไม่ได้หรอกมันก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้แค่นั้นเองอ่ะชัดเจนครับผมผมนิสัยผมคงไม่ชอบอะไรเยอะๆนะครับออถ้าเป็นต้นจิตก็จะไปแทรกแซงอ อ, อ, อของครูบาเนธ คือถ้าเห็นไปต้นจิตก็จะไปเห็นแต่ต้นจะไปแทกแซงให้มันหยุดกระบวนการก่อนใช่ไหยคะเอาตัวเราไปหยุดอีกนะหัตตาใช่ไหยคะอย่าลืมไปแล้วกันว่าเนี่ยใจหรือจิตเดิมแทหรือวิญญาณธัานแัแทเนี่ย ม, มันทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาสองหน้า ม, มันได้แต่รู้ไอตัวเราคิดพูดกระทำอะไรเนี่ย ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปคุณสวนกุศลคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาป ค, คิดกุศลพูดดีพูดชั่วพูดบาปพูดอากุศลอะไรก็ตามเนี่ยมันได้แต่รู้มันกับไปคิ ด, ดไปพูดไปกระทำต่อหน้ากระจกเนี่ยใจมันเปียบเหมือนกระจกเงาสองหน้าเนี่ยมันจะไปแทรกแซงอะไรก็ไม่ได้จะช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันจะหลงไปกับอะไรก็ไม่ได้มันจะหลงติดไปกับอะไรก็ไม่ได้มันจะหลงแล้ว ทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่ได้ก็ดังนั้น่ะที่เราบอกว่าไอ้ที่มันหลงไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามันไม่ใช่กระจงเงามันไม่ใช่ใจกระจงเงาเสยเพราะว่ากระจงเงาเนี่ยมันหลงก็ไม่ได้มันรู้สึกตัวก็ไม่ได้แต่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่รู้สึกตัวอยู่ไอ้กระจงเงาใสเนี่ยที่เป็นใจไป็เหมือนกระจงเงาใสเนี่ยมันก็ได้รู้แต่ว่าไอ้ตัวเราตัวสมมุติเนี่ยมันรู้สึกตัวตัวเราหลงติดไปกับอะไร ไอ้กระจกเงาใสมันก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยหลงติดไปกับอะไรแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวสมมติมันจะเป็นตัวเราแท้จริงไอตัวเราแท้จริงคือไอ้กระจกเงาใสเนี่ยใจเบียดมันกระจกเงาใสที่ตลอดเวลาเลยอันนั้นเน่ะมันจะรู้ตัวเราตัวสมมติอตัวเราเนี่ยที่มันคิดได้พูดได้กระทาอะไรได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบากุศลนะกุศลเนี่ยมันเป็นตัวสมมุติตลอดเวลาเลยแต่เราแท้จริงเนี่ยคือ ใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณแท้ที่มันทําหน้าที่รู้เหมือนกระจกเอาใสเนี่ยแต่มันไม่มีตัวกระจกแค่นั้นเองดวตาโยมเอาข้อหนึ่งสั้นๆที่ที่โยมเข้าใจอ่ะแบบเนี้ยจะถูกไหมคือพอเรารู้ว่ามันเจ็บเนี่ยเราก็บอกแล้วก็เห็นแล้วว่าอ๋อเจ็บแต่เราไม่ต้องไปควรวางว่าโอ้โหเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลย อ, อย่างเงี้ยแต่เราเห็นแล้วว่ามันเจ็บ แต่เราก็รู้แค่นี้ใช่ถูกไหมคะเดี๋ยวมันไม่เข้าใจว่าเราแท้แท้มันเป็นกระจกเงาใสไอ้คนควรคามมันเป็นมันไขมันตัวอยู่หน้ากระจกแร้วมันกระจกละมันจะจะควรค้ามมันจะจะพูดยังไงแต่ใจเรารู้สึกเสมอว่าไอ้คนที่มันควรค้างว่าเราเจ็บเราเจ็บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรมันเป็นตัวปรุงแต่งอยู่หน้ากระจกหรือว่ามันเป็นกระจกเงาใส ป่าโยมยกพูดแบบว่าให้รู้แค่เห็นว่าอ๋อนี่มันเจ็บแต่เราไม่ต้องไปควรค้างต่อว่าโอ้เจ็บจังเลยอย่างเงี้ยถูกไหมคะก็ไม่เข้าใจไงก็ไเ้ า, เ, า, เ, เ, าเดี๋ยวผสมเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันทำไมงี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แจ๊กพูดดิอ่ะแจ๊กพุกเข้าใจอ่ะเดี๋ยวแจะพูดอ่านื่อไม้พูดดูต <c oughs> อนแจ๊กตอนตอนผสม อ่าเจ็บแล้วมันมั น, ม, นมันมีอาการยังไงต่อฮนะปกติอา่อาสมมติถ้าถ้าเจ็บแล้วเขาก็จะติดพันบอกโอ้โหทำไมมันเจ็บจังเลยมันทรมานทําไมสังขารมันเป็นอย่างนี้คิดไปอย่างงั้นไอตัวที่คิดนี่เป็นอะไรทั้งหมดฮนะคะ เ, เป็นเป็นความคิด <laughs> เป็นความคิดแต่แต่สมมติที่ที่คิดเมื่อกี้ว่าถ้าถ้าเข้าใจหมายถึงว่าเรารู้ว่ามันเจ็บแต่เราไม่ไปคิดต่ออย่างเงี้ย ถูกไม่ไรึเปล่าไม่ถูกอ่ะไม่ถูกฮรไม่ถูกไม่ถูกเลยหเหมือนกันนะเหมือนกับพยายามพอฟังเสียงที่ไม่ชอบแล้วก็พยายามจะดับปิดการรับรู้ตัวเองไม่ให้มันไปคิดต่อเพราะว่าการกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเราต้องการกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติใช่ไหมหก็ต้องไม่แทรกแซงมันเลยดลยมันเป็นยังไงก็เป็นแต่ว่าเราก็เป็นรู้อย่างเดียว ที่หลวงตาถึงได้บอกเป็นกระจกเงาไะก็คือไม่ติดไปกับอะไรมันเลยมันอยากทําอะไรมันทําเลยมันเป็นไงว่าไปเลยอะไรเงี้ยนี่ออกไหมแต่แต่แต่มันจะต้องการรับรู้ต้องปกติเลยนะธรรมชาติเลยนะเจออะไรก็เจอกระทบอะไรก็กระทบปรุงอะไรก็ปรุงกระทบแล้วปรุงก็ปรุงปรุงไม่ดีก็ปรุงไม่ดีออ ว่าไปเลยเราก็รู้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เอก็เป็นอย่างนี้ใจคิดกลัวกลัวคิดว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะไปปรุงแล้วเนี่ยแยงไม่ได้เลยเออเราเราก็ไม่ได้แยงเป็นไม่ได้แย่งอ๋อมันจะแย่งไว้เอแย่งอ่ามันมันจดใจคิดว่าอไม่ได้นะเดี๋ยวไปหลงปรุงไปอีกอยย่างเี้ไม่งั้นเนี่ยอย่างนี้ครับไม่ว่าผสมรู้อะไรไปเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยมันยังมีตัวตนเนี่ยตั้งอยู่เป็นตัวรู้ เห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไตลักษ์หมดเลยประสมจะวางทุกอย่างได้หมดเลยปล่อยวางได้หมดเลยแต่ตัวเองไม่ปล่อยวางอย่างเงี้ยยิ่งรู้อัตรายิ่งสูงนักปฏิบัติเป็นเยอะมันไม่ได้มีปัญหาเลยยิ่งรู้ยิ่งแบบพึ่ดมันไม่ได้อย่างใจเราสักอย่างแล้วต้องเราจะจัดการให้มันได้ให้ได้อย่างใจอย่างเงี้ยครับมันไม่เห็นตัวเองว่าเป็นไตลักษมันต้องทวนก็มาหาผู้รู้ต้องทวนกระแสเข้ามาครับแต่มันก็คำพูดมันก็หลายคำพูดแหละแต่จริงจริงมันก็คือธรรมชาติแหละเป็นไงก็ว่าไปเลย ก็รู้อย่างเดียวอ่ถ้าเป็นพวกพี่ๆที่เขาอยู่อะโหลตาก็บอกก็ทุกอย่างมันก็ต้องสังขารว่าไปเลยปล่อยมันมันทําหน้าที่เต็มที่ของมันเลยน่ะอ่ะฐานห้าปล่อยให้เขาทํางานได้เต็มที่อะไรเงี้ยครัแต่เดี๋ยวผ้าสมน้องยกตัวอย่างดูอีกก็อาจจะไปติดอย่างอื่นอีกเงี้ยเออเแต่มันก็มันก็จะดีดีกับตัวป้าสมเองนะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ผิดกันอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ เ uh huh. มื่อกี้ถ้าถ้าถ้าหลวงต า, oh. าบอกว่าใช่คือว่าอ๋อเราจะยึดอันนี้แหละเราเข้าใจถูกแล้ว uh huh. เออแบบที่พูดมาหลายข้อเนี่ยจะเอาข้อนี้ uh huh. ข้อนี้เป็นหลักว่าอ๋อเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ที่นี้อ๋อมันเป็นสังขารเดีร uh ู huh. ้นึกว่ามันเป็นสังขารแต่ก็ถูกหรือเปล่าคะ ผสมลงยกตัวอย่างอื่นดูดูบ้างนะลองลองอลองลอถามลองตายทีก็ได้ออ ย, ยกตัวอย่างอือ่นยกตัวอย่างอสมมติเราส่องกระจกปุ๊บสมมติแบบว่าจมูกไม่มีแล้วไปเห็นเป็นจมูกมีคือไม่ใช่เอาตัวอย่างแบบชีวิตประจำวันเห่อประจำวันอ่อยู่ในครัวทำโน่นทำนี่ครับเอาแบบธรรมชาติเลยอยู่ในครัวเหรอคะ หรือว่าตอนที่ผสมทํางานอย่างเงี้ยค<ฆ>่ะเอ่อแล้วเจอการกระทบมาแล้วผสมเป็นยังไงบ้างเงี้ยฮะก็คิดค่ะเอ่าคิดคิดคิดอลองลองลองยกตัว อ, อ, อย่างถามหลวงตาเลยว่าพี่ผสมปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเนี่ยในระหว่างทางกลับไปแล้วพรุ่งนี้เรียกกลับไปแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติแบบเนี้ยอ่อคือพอพอคิดแล้วมันเข้าข้างตัวเองไม่ได้ดูตัวเองอาไปดูเต็ม ดูแต่คนอื่นที่โดนกระทบมาดูแต่สิ่งที่กระทบมาทีนี้ตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้ดูตัวเองแต่ไปไปคิดอันที่โดนกระทบแบบนี้ถูกป่าคือคำนี้ถ้าเรานั่นอีกเราจะต้องดูตัวเองก่อนที่จะไปดูสิ่งที่เรากระทบโดนกระทบอย่างเงี้ยถูกเปล่ะ อันนี้เจอบ่อยสุดใช่ไหมครับทีท่บ้านจะเจอเจอโจทย์นี้บ่อยสุดใช่ไหมอีพีได้ไหมอีพีได้ไหมหนุกตาจะได้ฟังทันด้วยคือถ้าเกิดเราอะไรที่ไม่ถูกใจมก่มันกระทบใจเราแล้วทีนี้เราก็ ค, คิดคิดคิดแหละว่าเราเนี่ยไม่ผิดเราถูกเข้าข้างตัวเองแต่เราไปเพ่งอันที่เราโดนกระทบน่ะอันนั้นไม่อันนั้นผิดอันนั้นไม่ถูกแต่คราวนี้ เราเข้าใจแล้วนีที่เข้าใจเมื่อกี้คือเราจะต้องมาดูตัวเองจะไม่ไปดูอันนั้นแล้วเขาจาดูตัวเองหมาได้ยังไงอ่ะก็ดูตัวเองว่าเราหงุดหงิดุุนงานไม่พอใจเขาเพ่งโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ถูกหรอเป่าคุณแล้วยังไงต่อพอรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วควนี้รู้แล้วคนนี้เราดูตัวเองล้วเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อก็จะ ก็จะไม่ไม่นั่นจะกลับมาดูตัวเองอ้อเราเป็นคนอย่างนี้เองเราคิดหุดหิดเองเราเป็นคนแบบว่าว่าแต่ตัวเองดีอ่เออพอพอพอพอเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงต่อพอเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้ก็จะแก้ไขแบบนี้แหละค่ะเนี่ยหลวงตาก็จะดูตัวเองจะจะดูตัวเองตลอดว่าต่อไปเนี้จะไม่ไปเพ่งคนอื่นนะจะเพ่งตัวเองเป็นหลักก่อนที่จะไปว่าคนอื่นก่อนที่จะตำหนิสิ่งอื่นจะต้อง ตัณฑ์ตัวเองก่อนถูกหรือเปล่าคะอ๋อมันมีตัวแก้ตัวแก้ตัวเองแปลกแปลกห ม, กหมทุกอย่างทุกอย่างที่ยกตัวอย่างมามันพลัดกลับมาพยายามจะดัดแปลงตัวเองเพื่อให้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมที่มันผิดธรรมชาติใช่ไหม ค่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราค่ะสไตล์เรามันต้องบูร์ล้งฐานนช่ไหะเจออะไรเจออะไรต้องพูวะผ้าพูอะผ้าไปเลยถูกไหมใช่ค่ะแต่แค่ไม่ออกไปทางตาแค่นั้นเองแต่ใจก็ปล่อยไปเลยมันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ๋ออ่ะไม่ออกไหมเนี่ยคุณป้าคุณป้าพอพอจะเข้าใจไหมฮะเนี่ยแต่ไม่ไม่เข้าใจเดี๋ยวถามหลวงตาได้นะครับ เพราะว่าทุกคำถามเนี่ยพอพอมันเสร็จปั๊บเนี่ยพอยิ่งถามไปเนี่ยมันก็แปลกตรงที่ไม่ว่าจะยกตัวอย่างใหม่แค่ไหนมันกลายเป็นล่องเดิมได้หมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ ค, ก<อ>คิดว่าเข้าใจแล้วพอว่าคราวนี้มันเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะกูบาจะอธิบายได้ไหมฮะให้กูบาไหมฮ ะ, ะคือคืออย่างนี้ะสม ผสมปล่อยทุกอย่างนะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปงั้นเลยแล้วผสมก็รู้แค่นั้นเองไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปแก้ไขว่าจะต้องทําตัวเองให้ดีมันจะเป็นไงปล่อยมันไปเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วผสมก็รู้แค่นี้เองค่ะค่ะ